นเองต้นะไค้เขาเพิ่งในวันนมันมันว่ามันกระตินอ่ะชาพระนกิจอ่ะนสินลบปานอ่ะบรจารณ์เนี่ยกระตินลบปานเนี่ยมาเศ้าไปวินทบาทกลับมาสันงหันเช็กลับตะรเพิ่งเลยบริารสอกลับ่นสบายถามแต่ว่ันนอก้าวเหนียกปบา้าวราก หรือคนเกิดในกรุงเทพตอนนี้กรุงเทพมีครับเกิที่วัดอยู่นี่ทุกที่เกิดอยู่กรุงกรุงเทพมีผูคนอยู่นี่ฮะทางจังหวัดปอยกรุงเทพทางจังหวัดปอยกรุงเทพเขาพูดเขาทักไอ้สามเข้าใจหมดไหมไม่เข้าใจฮะ โอ้ยครับไม่ับค้าอีกนะเข้าใจหมดจเข้าใจหมดฟังไปไมาน่ อะไรบ้างสิ่งที่น่าสลดเห็นอะไรบ้างสิ่งที่น่าสะประบใจเห็นอะไรบ้างสิ่งที่น่าไว้ใจคืออะไรบ้างเราเปิดมานี่ตอบตอบได้วดทุกคนสิ่งที่น่า ไม่น่าไว้ใจคืออะไรบ้างคำมาบ้าไม่รักพ่อน อ, อแต่ไ่าจะตอบเป็นข้อเดียวก็เอาุ mm hmm. ่งนี้เราับไปอะไร mm hmm. วันเวลาเป็นของใคร สวัสดีปีใหม่นั่นถูกหมดหรือไม่หรือมีที่แซงอยู่ใช่แล้วผู้พูดก็มีที่แซงอยู่บ้างสวัสดีสวัสดีปีใหม่ก็จริงแต่ว่าใกล้จะตาย่อปีการนี่ถูกไหมท <laughs> ีนี้ถ้าเราทำชั่ว จะว่า ส, สวัสดีปีใหม่หรือไม่สำหรับปีเดือนเกี่ยวกับความดีความชอบหรือไม่รับรองความดีความชอบของมนุษย์ที่ทำขึ้นหรือไม่ไม่รับนะไม่รั บ, รบก็เป็นเพียงโวหารที่ให้พรกันเฉยใช่ไห ม, มสวัสดีปีใหม่ก็คือปีเก่านั่นเอง มันนานเป็น ร, บรอบๆวันเดือนปีไม่ได้มารับปีรับชั่วกรรมนุษย์และเทวดามานถมด้วยถูกไหมเราเกิดมาเห็นอะไรเป็นน่าสดใจเห็นความตายเป็นน่าสดใจไม่น่า ไ, าไวหวลางใจเลยช่วยชีวิตหนึ่ ง, งก็ครึ่งวินาทีเหนือเรานั่น เป็นอนดีตอนาคตถูกไห ม, ม ว, วิญญาณมีจริงหรือไม่วิญญาณมีจริงมีจริงตอบให้ถูกถูกใช่คะแน่ถูกทีนี้จาระบายช่วยอีกว่า ผู้ถามก็เอามาโนวิญ ญ, ญาณถามผู้ตอบก็เอามาโนวิญญาณตอบเหตุนั้นจึงไม่ควรถามจึงไม่ควรตอบกันใช่ไหมดาบมีไหมเงนมีไหมมีครับหัวใจมนโนภาพเป็นผู้สร้างบาปบุญขึ้นถูกไหม เป็นนายทุนใช่ไหมจิตใจเป็นนายทุนใช่ไหมใช่ทำดีเข้าใจเป็นผู้ได้รับผลดีใจทำชั่วใจก็เป็นผู้ได้รับผลชั่วกายวาใจกายวาจจไม่ได้รับรองด้วยถูกไหม กิตต่างท่านๆงสุขาวหังกิตที่ฝึกฝนแล้วนําสุกมาให้นําสุกมาให้จิตถูกไหมกิตกฏฐะธรรมโอสาทุฝึกฝนจิตนั่นแหละเป็นดีถูกไหมถูกครับถ้าเราจะฝึกฝนจิจเราเอาเอาธรรมะอฝึกฝนถูกไหม ธรรมะในศาสนาของพระธรรมสัพพุทธเจ้ากับธรรมะในศาสนาอื่นๆนั้นต่างกันอย่างไรบ้างทำไปว่ า, ราทรงอยู่แม่ว่ามีอยู่ทรงอยู่ศีลสมาธิปัญญาก็อ้างเหมือนกันในศาสนาอื่นศาสนาพุทธก็อ้างศาีลสมาธิปัญญาเหมือนกันศาสนาทุกๆศาสนา ศาสนาใดมีความลึกซึ้งมากกว่ากันศาสนาพุทธลึกซึ้งก่าถูกดีถ้าว่าชาวโลกมีสีลห้าบริบูรณ์แล้วสงครามจะมีหรือไม่ไม่มีจะมีทหารหรือไม่ไมต ตำรวจก็ไม่ต้องใช่สารดีกาสารอุทธรก็ไม่ต้องมีมมทีนี้ว่าเป็นทางนี้เราเห็นคุณพระพุทธศาสนาหรือไม่เห็นคนเห็นคนคกฎหมายกฎหมายหมู่คัดพักคดพวกที่ตั้งขึ้นอันปีนเกลียวพระพุทธศาสนานั่นจะเป็นกฎหมายที่ยังยืนหรือไม่ไม่ยังยืน พระบรมศาสดาถือว่าทําเป็นโรคบาปคุ้มครองโรคสองอย่างความละอายต่อบาปความกลัวต่อบาปเท่านั้นจะคุ้มครองโรคได้ถ้าไม่มียางอายต่อบาปไม่มีกลัวต่อบาปแล้วโรคทั้งหลายก็ตั้งอยู่ไม่ได้ก้อนไม้ก้หมูก็พักก้พวก ก, กก็ตั้งมาอยู่ พระโอ๋ของทรรม่นำคำหนึง่งก็หมดที่พึ่งพิงอิงอาศัยถูกหรือไมถ้าทำความชั่วในที่แจ้งไม่ได้ก็ไปทำในที่รับเพราะไม่มียาอายต่อบาปใช่ไหมใช่ครับถ้าอย่างนั้นพวกข่าวไทยเราก็ต้องสนใจในธรรมะมากกว่ากฎหมายอื่นจึงจะมีเย็นเป็นสุขใช่ไหม ทีนี่อบายามุกทุกประเภทที่ชาวโลกเล่นอยู่ทุกวันนี้มันเป็นทางเจริญหรือไม่พีดามานดาพาบุตรพาหลานพาเหลีนเล่นอบายยมุกกัน <c oughs> บรหลานเหลียญก็ดีเวลามานาก็ดีเป็นทางชอบธรรมหรือไม่จะไปรอบตัวหรือไม่ไม่รอบตัวที่นีนชาวโลกทั้งหลายนิยมอาบายะมุกคําว่าอาบายะมุกหมายถึงเพียงไหนค่าขายเครื่องประหารค้าขายมนุษย์ค่าขายสัตว์เป็นเรื่องนื้อสัตว์ที่ตัวฆ่าเพื่อเป็นอาหาร ค่าขายน้ำมอค่าขายยาพิษสิ่งเหล่านี้ต้นน้ำใบา ย, ยมุกแค่ไหมเนี่ยคาสอนใดในตจโลกธาตุไม่เท่าคําสอนของพุทธศาสนาพระพุทธศาสนานั้นเป็นการบ้านเป็นการเมืองเป็นการมนุษย์สมบัติเป็นการสอนสมบัติเป็นการพรมสมบัติเป็นการนิพพานสมบัติ ร๊บหมดสวนอะารก็มุกทุกประเภทเทคโนเลยีข้ามมาแล้วอันนี้เป็นสอนขลาววาด ต, งตรงๆถูกไหมนั่งตอบดีนอนก็ไม่สะดุงภาวาเพราะมัน ม, มีเวรอยู่รอบข้างถ้ามีเส้นห้าโมดิวอลแล้ว ตำรวจไม่ตรงนีทหารก็ไม่ตรงนี้เอาเงินล้านมานับเดี๋ยวนี่ยี่พันล้านก็ไม่ต้องเอาทหารไม่ต้องเอาตำรวจมาถูกไหมถ้าผ่านมาเนี่เงินหายออกจากกระเป๋ากับคืนทหารมาเห็นก็ต้องเห็นอยู่บ้านกํานันใช่ไหมนั่นเพราะมโมเสาะไป ขโมยไม่มีนี่เนเพียงศิ้าของพระบรมคาสตรานัเพราะคองโลกหูแล้วที่นี่นะข้างพุทธการพระเจ้าพิมเพสานทรงอำนาจสิทธิขาดทรงพระนามว่าราชามาคาโตแปลว่าพระเจ้าแผ่นดินมครสิทธิอำนาจทั้ง ท่านตั้งกฎหมายเอาเองมีอำนาจมากท่านเป็นพระสอดาบันมีศีหลห้าบริบูรณ์พูดที่เป็นพระสอดาบันตั้งกฎหมายเอาเองก็ไม่เข้าข้างตัวเป็นธรรมาธิปไตยเข้าข้างทรมก็ทำเป็นแรกแล้วก็ตั้งกฎหมายกฎหมายทั้งหลายเหล่านั้นก็เป็นกฎหมายที่ไม่เปีงเกลียวสีนธรรมถูกไหมนั่น นี่สินเกิดขึ้นมาทุกวันเนี่ยเกิดมาจากอะไรบ้างก็เกิดมาจากอบาลจำุกใช่ไหมเพราะฝ่ายข้าราชการเงินเรียนพอจะคุ้มก็ไม่คุ้มเพราะเอาไปเล่นการพนันเสียมุดร้านเหลนพวกทำไรไทยนาค้าขายพอจะคุ้มก็ไม่คุ้มเสีย เพราะเอาไปเลยอามายมุกซะถูกไหมนั่น <c oughs> อามายามุก ค, คือเหตุเครื่องชิ้ายเสีย <c oughs> เป็นนักเลงหญิงเป็นนักเลงโซราเป็นนักเลงเล่อการพนันครบคนชื่อว่าเป็นเม็ดประตูใดประตูหนึ่งเขาชิ้นหายไปไมารอดน้ามั้งตั้งโตๆอย่างนี้ค่ณผู้ชมกระจอกผู้ ใมันไหลแค่เท่านี้ลูกท่านนี้แหละพอเราถึงเราจะลงประตักไปจ่วงมาจากข้อข้อมาใส่มันไหลไปหมดลราตักม่ทำถูกไหมกุประตูดเดียวท่านละใ น, ะ น, นคำสอนของพุทธศาสนาจึงเป็นคำสอนที่มีคุณค่ามากค้าประมาณไม่ได้ พระพุทธศาสนาเป็นรัตรังพุนยักเกตังโลกัสสาติเป็นนาบุญของโลกไม่ใช่นาบาปของโลกถ้าพระพุทธศาสนาไปอวยชัยให้พรหรือไปส่งเสริมพาะยายมุตุประเหตุยั่แล้วก็คล้ายๆกับว่าพุทธผหา a ธทรมาระหารนั่งขับผ ahan ถูกไหมนั่งตอบดี ดีสุดีดคนเราชอบสุข ท, ทุกท่านแต่ว่าเหตุที่จะทำให้เป็นสุขมันวางคนละเหตุละเหตุที่แล้วเหตุเชนั้นพระพุทธศาสนาจึงบอกว่าธรรมัญญาตาเป็นผู้รู้จักเหตุเช่นรู้จักว่าสิ่งนี้เป็นเหตุแห่งสุขสิ่งนี้เป็นเหตุแห่งทุกอัธรญาตาเป็นผู้รู้จักผล รู้จักว่าสุขเป็นผลแห่งเหตุอันนี้ทุกข์เป็นผลแห่งเหตุอันนี้สุขเป็นเหตุแห่งละอบายามุขทุกข์เป็นเหตุตรงกันข้ามถูกไหมกายจะกระทุกทุกทางกายเกตุจะทุกทุกทางใจทุกในทางพุทธศาสตร์สนามีอยู่สองทุกพุทธศาสตร์ศาสนาเบื้องต้นสอในให้ธรรมะให้เลี้ยงชีวิตในทางที่ชอบ ธรรมหาอย่างชีวิตในทางที่ชอบแล้วเพราะทําความดีอย่างยิ่งขึ้นไปในสัมปรายิ่กระพบหรือสอนอย่างสูงยิ่งสอนให้เบื่อหน่ายครมเมาในวัดเจาส่องสารเพราะวัดเจส่งศารเกิดเพราะได้กองทุกข์เกิดขึ้นเ น, นี่ยคนเปรตคนนั้แตกสาหิมีคาชั้นสูงพระพุธทธศาสานานสอนให้ธรรมหาอย่างชีวิตในทางที่ชอบเสียก่อนสอนให้ถึงว่าพุธาทธธรรมผสมเป็นที่พึ่งเสียก่อน ถ้าบุคคลถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอยู่ที่หัวใจแล้วบุคคลผู้นั้นจะพยายามละชั่วทําดีพระพุทธพระธสงสอนให้ละชั่วทําดีทั้งในปัจจุบันทั้งในอนาคต ด, ด้วยทั้งอย่างยิ่งคือพระนิพพานด้วยการมาท่องเที่ยวในวัดตาท่องสารนี่ก็บางร่มแต่แกแต่เก็บ แ, แ, แ, แต่ตายแต่ความไม่พอไม่มีเมืองพอจะมีเมืองพอยังไง เาะสิ่งทั้งปวงเกิดขึ้นจากพระพลอน่ะแตกสลายเมองพลอยจะมีมาจากประตูไหนอสิ่งที่เราสมประสงค์นำมาได้แล้วมันก็พัดภาเราไปหรือมันไม่พัดภาเราเราก็พัดภามันหาในทางที่ชอบก็ดียิ่งไปหาทางในทางที่ไม่ชอบมันยิ่งผยใหญ่พระบรามศ า, าสดา พ, พูดด้ยไม้ที่แท่งตระกูลอันมากขั้งจะเพียงไหนก็ตาม จะตั้งอยู่ดานไว้ได้ก็เพราะมีสถานสี่อย่างในอย่างหนึ่งหนึ่งไม่แสวงพราพัฒนุีิหยแล้วสองไม่บุรณะพัสนุสิขมพลาดสาไม่รู้จักประมาณในการบริโภคสมบัติสี่ตั้งสตรีหรือบรุษทุสินให้เป็นแม่เรือนพ่อเรือน่วงจะดำรงตระกูลควรเว้นสถานสี่ประการนี้เสียข้อสี่เป็นข้อสาคัญถ้าผู้ เป็นผู้คลองเรือนผัวก็ดีเมียก็ดีเป็นคนเล่นอบายยมุขอยแท่แล้วสักจะมีขีดล้านก็ตั้งมาอยู่ถูกไมนั่นไม่มีที่แท้เป็การคบมิตรเท่นี่ยพระบรมศาสดาก็สอนไม่ได้ตัดไม่ได้ตัดไม่ได้เกี่ขวางการคอบมิตรมิตรแท้สี่จำพวกมิตรมีอภิคาระ มิตรร่วมสุขร่วมทุกข์มิตรนีประโยชน์มิตรมีความลักใคร่มิตรมีอุภาระมีลักษณะสีป้องกันเพื่อนผู้มาแล้วป้องกันทรัพย์สมบัติของเพื่อนผู้มาแล้วเ่วงอมีใครเอาเป็นที่เพึ่งพวามรักได้เมื่อมีธุระช่วยเอาเท่าไม่เกินกว่าที่ออกปากมิตร่วมสุขร่วมทุกข์มีลักษณะสีขยายความรับของตนแก่เพื่อนปิดความรับของเพื่อนไว้เรื่องไฟไม่รักทิ้งในยามพิบัติแม้ชีวิตกว่าจะระแวนได้ มิตรน่ประโยชน์มีลักษณะสี่ห้ามมันกระทําความชั่วหกใหตั้งอยู่ความดีอนุเคราะห์ด้วยนําใจอัน ง, งามบอกทางสว่างให้มิตรแค่สี่นะพวกมิตรเนี่ประโยชน์มีลักษณะสี่หนึ่งห้ามมันกระทําความชั่วสองให้ตั้งอย่ความดีสามอนุเคราะห์ด้วยนําใจอัน ง, งามสี่บอกทางสว่างให้ มิรประติรูปคือคนคนสีจ่จำพวกนี้เป็นมิตรแท้ควรพบคนปมิตรปฏิรูปคือคนเทียมมิตไม่ควรพบเนอะพ<น>ละบรมารีรามหนึ่งคนปอกรอกสองคนดีแต่พูดดีแต่ปากพูดแต่ปากสวยสามคนหัวกระจกสี่คนชักชวนในทางชิบหายคนสีจ่จำพวกนี้ไม่ใช่มิตรเป็นแต่คนเทียมมิตรไม่ควรพบเนอะหนึ่งคนปอกรอกมีลักษณะสี่ หนึ่งคิดเอาแต่ไดฝ่ายเดียวสองเสียให้เพื่อนน้อยคิดเอาของเพื่อนมากสามเมื่อมีภัยแก่ตัวจึงทำรับทำกิจเพืะของเพื่อนสี่ขเพื่อนเพราะเห็นแก่ประโยชน์ของตัวคนหัวกระจบมีรับสารสีจะทำดีก็ค่อยตามจะทำชัวว่วก็ค่อยตามต่อหน้าว่าสารเสริมรับหลังตั้งเดินทางมีมิ ไม่ควรพบชักชวนดื่มน้าเมาชักชวนเที่ยวกคืนชักชวนให้มองมองในการเล่นชักชวนเล่นการพนันนี่ความไม่ควรพบเพราะเรามาศาสตราสอนเนี่ยไม่ใช่ไม่สอนในระหว่างพวกรเมียก็สอนด้วยยกเ่องนับถือาเป็นภรรยาโดยไม่ดูหมิน่น ด้วยแม่ประพฤติร่วงใจด้วยมอบความเป็นใหญ่ให้ด้วยให้เครื่องแต่งตัวภรรยาได้รับบำลงชนี้แล้วยอ่อมอนุเคราะห์สามีด้วยสถานห้าหนึ่งจัดการงานหนึ่งสองสงเคราะห์คนข้างเคียงของผัวดีสามม่ประพฤติร่วงใจผัวสี่รักษาทรัพย์ที่ผัวหามาได้ไวห้าขยันไม่เกียดคร้านในกิจการหน้าพวงน น, น, นเราอ่าบุตรก็ไปรามาลงขั้น ก, ก่อ หห้ามกระทำความชั่วบิดามานาสองให้ตั้งในความดีสามให้ศึกษาศิลปวิทยาสหาภรรยาหรือสามอที่สมควรให้ห้ามอดทรัพย์ภายในสมัยส่วนบุตรจะตอบแทนคนมิดามานาหนึ่งท่านเรียมาแล้วเรียกท่านตอบสองทำกิจพระของท่านสามนำลงวงตระกูลสประพฤติตนให้เป็นคนควรรับทัพย์มรดก แล้วทำมนุษย์ที่ใช่ธสิ่งไหนที่พบรมศาสดาไม่บอกไม่เนี่ยเบาวรับนายพระบรมศาสดาก็สอนสอนนายจ้าหนึ่งจัดการงานให้ทําตามท้งคนแก่กำลังสองให้อาหารและให้ให้อาหารในรางวันเนอะสามเวลาเขาเก็บไขได้ป่วยก็พยาบาลเขาบ้างสี่ได้ของแปดประลาดมาก็แบบให้เขากินบ้างข้อห้าปล่อยได้สมัยว่า เลอกเทียบก็ดีหรือวันศาตร์วันที่สมมติพักวันทิตย์วันเสาร์ก็ดีส่วนบ่าวที่พวกลูกคนงานหนึ่งลุกขึ้นทำการงานก่อนนายไม่เห็นตั้งแต่ นังเอาเวลาสองเลือกการงานที่หลังนายสามถือเอาแต่ของที่นายให้ไม่รักกรอบรักเสียมไปด้วยสี่ทำการงานให้ดีขึ้นแต่เห็นแต่เวลาทำางานทพยายามทำาลงานให้ดีขึ้นก็ห้านำคนขอนายไปสนอเสือในที่ น, นั้นนั้นนายเองผมดีนะมีอะไรก็ให้ผมอยู่ผมกินแมตาปาณีผม ถ้าเบาครับนายรักกันอย่างนี้แล้วภัยกรรมาในข้างหน้าก็ไม่มีบอกไปหมดเนี่ยพอเร า, าไปนในระหว่างสัมนาขีพามพอบอกด้วย ก, กายกรรมสําหรับโยมคือสําหรับโยมกับขีพามด้วย ก, กายกรรมคือทำอะไรอะไรประกอบเรื่องเมตตาด้วยวิธีกรรมคือพูดอะไรอะไรประกอบเรื่องเมตตา ด้วยมโนกรรมคือคิดอะไรอะไรประกอบด้วยเมตตาสี่ด้วยความเป็นผู้ไ ม, ปปา ม, มา 5, ่ปิดประตูคือห้ามไม่ให้เข้าบ้านเรือนห้าด้วยให้อามิตาทานวิประตูคือห้ามไม่ให้เข้าบ้านเรือนคือว่ายัางไงเวลาไปบินธบดีก็อย่าไปปิดประตูลักห้าด้วยให้อามิตสถานทีนี่สำหรับคามได้รับบารมีทีนี่แล้วย่อมโนุเคาะคุณสมบัติด้วยสถานห้า หนึ่งให้มากับความชั่วสองให้ตั้งอยู่แลความดีสามทำสิ่งที่ถ้า ใ, ให้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยฟังทำสิ่งที่ฟังให้แล่วให้แกมบอกทางสอนให้ไม่มีใครจะมาสอนดีๆเหมือนพระพุทธเจ้าสอนผู้อยู่ในโลกสอนผู้จะออกโลกทีนี้ผู้จะให้เบื่อหน่ายในวัดตาท่องสาร เธอทั้งหลายจงพิจนาเห็นความไม่เที่ยงความกลังลมหายใจเขาออกเนอเธอทั้งหลายจงพิจาณาเห็นทุกความกลังลมหายใจเขาออกเนอถ้าเธอทั้งหลายเห็นความไม่เที่ยงในปัจจุบันแล้วความไม่เที่ยงในอดีตอนาคตมันก็จะอันเดียวกันพระคุทธองค์เธอเห็นความไม่เที่ยงโรกเต็มไปด้วยความทุกข์และความไม่เที่ยงเธอก็เห็นโลกรอบหนึ่แล้วเธอก็สองทุกภูเขาแล้ว พราะภูเขาแตกสลายเป็นคำพูดอย่างนั้นมันอยู่ในอำนาจของความไม่เที่ยงเห็นชาติทุกในขณะคิดหนึ่งก็เห็นชาติต่ อ, ตอไปและเห็นชาติในอดีตแล้วเห็นชาติทุกก็เห็นรอบโลกแล้วทําท่านจะเบื่อหน่ายโลกเห็นดินน้ําไฟลมขณะคิดหนึ่งก็เห็นรอบรอบแล้วเพราะโกเต็มได้วยดินน้ําไฟลมนเห็นหนังหุ้มอยู่ดนรอบ เต็มไปด้ของปมะสาทมีประการต่างๆที่นี่มีอยู่ในกายมีดินน้ำไฟลมเกษารมามีผนผมเล็ฟันน้งเลอะในกระดูกเพื่อในกระดูกค่ามหัวใจถ้า้ังผิวไทกอดใช่ใหญ่ใช่น้อยอ้านใหม่อ่านเก่าดีเสด็จน้องเลื่อนเหงื่อนคนน้ำตาไปมานน้ลายมุ่งมั่คก้อน้ำมุดทาดน้ำา่าดินท่าน้ำไฟที่ยางกายให้อุ่นไฟที่่างกายให้สดชื่นไฟที่ยางกายให้โควายไฟที่พะอาหารน้อย ธาตอันใดมีลักษณะพัดไปมาธาตุนนเป็นวายโยธาวายโยธานั้นที่เป็นภายในคือลมพัดขึ้นบางวนลมหาลมเลอะลมอ้วกลมพัดลงบ้างต่ําถ่ายลมถ่ายอุจจาระถ่ายปัสสะลมในท้องลมในไส้ลมพัดไปตามตัวลมพัดใจเขาออกควาําำลัพิจนาการนี้เห็นกันแต่เพียงธาตุสี่คือิน้ำไฟลมประจุกันอยู่ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราธาตุากรรมาฐานให้เธอทั้งหลายพิจารณาเนือ้อเมื่อเธอทั้งหลายพิจานาเนื้อแล้วเธอทั้งหลายจะไม่หลงหนัง จะไม่ได้มาเกิดแก่เกบตายจะไม่ได้มาสร้างหนังอีกกระดูกอีกทาพวกสูงเมื่อเธอทั้งหลายเห็นทุกอยู่ให้มีกลางวันกลางคืนเท่ากําลังพ่างใจเข้าออกแล้วเธอทั้งหลายจะเบื่อหน่ายจร ะ, ะอาในวัฏองสารโลกปัจจุบันโลกอดีตโลกอนาคตมนุษย์โลกและแก่โลกที่เราอาศัยอยู่นี้ เทวโลกได้แ ก, ก, ก่ขะกาม า, ะะากกพรมมาะเจ้หาหกขั้นพรหมโลกได้แก่รูปพรหมสขั้นกัปอรูปพรหมสีขั้นซิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นหน้าแฝงควรได้แก่สายเน้นอกจากทุกวันมีอะไรจะเกิดขึ้นนอกจากทุกวันมีอะไรจะแปรปควรนอกจากทุกวันมีอันไรจะดับไปอทุกท่านั้นเกิดขึ้นทุกท่านั้นแฝงควรทุกท่านั้นดับไปนี่ความแปรปวรของมันหาระหว่างไม่ได้เน้อหนิเน้อมันกลับไปกลับมาก็เป็นรอบหนึ่งของมันละรอบหนึ่งของควไม่เที่ยง สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นก็เป็นทุกข์จะมีวิญญาณหรือไม่มีวิญญาณก็ไม่เป็นปัญหามันเป็นทุกข์ในตัวมันมสิ่งใ น, นที่ซึ้เคราะหเป็นสินั้นก็ต้องเป็นทุกข์ ส, บบสังขารสัพพะสังขารย่นลงมาในสังขารโลกสังารารปรมาทุกขาสังขารเป็นทุกข์อย่างยิ่งเมื่อเห็นสังขารเป็นทุกข์อย่างยิ่งก็คือเห็นโลกเป็นทุกข์อย่างยิ่งก็คือเห็นอนิจจเป็เเนทุกข์อย่างยิ่งก็เห็นก็คือเห็นชาติเกิดแก่เก็บตายเป็นทุกข์อย่างยิ่งํําาทนถู เป็นศีลเป็นสมาธิเป็นปัญญาอยู่ในตัวศีลก็คือตักศีลลงในอย่างนี้สมาธิก็ตั้งมั่นลงในอย่างนี้ปัญญาก็รับรู้ในอันนี้ศีลก็เคลื่อนขึ้นไปเหมือนกันสมาธิก็เคลื่อนขึ้นไปเหมือนกันปัญญาก็เคลื่อนขึ้นไปเหมือนกันไม่มีที่แท้เลยพระพุทธศาสนาเหตุไหนศาสนาอื่นจึงไม่มีพระโสดาบันพระทาคามีพระอารามทาคามีพระอาราม มีแต่ศาสนาพุทธก็เพราะเห็นว่าศาสนาอื่นมีกาเดินทัท้งเถพระส่งเสริมแต่วัดธนิยมพระบระมาศ า, าสนาก็บอกว่าวัดุนิยมเราก็ชมว่าดีอยู่แต่มันอยู่ใต้อูกก่ของอนิจจังเกิดขึ้นในแนคอนแต่ละายียยยารัยยไม่กีงงงัง่างยืนถ้าริท่านาคท่าจทุมันด้วย พะเรานึกว่ารวมเข้าอย่างนี้มันก็เป็นอดีตไปแล้วใช่ไหมพอเราว่าเรารึกสติว่ารวมออกอย่างนี้ก็เป็นอดีตไปแล้วแล้วนึกขึ้นแล้วก็เราก็พูดก็เป็นอดีตไปแล้วเช่นเราจำสัญญาสัญญาอนิจจาสัญญาแปลว่าจำนโมเทสสาวาโตนะโตนะโตทมาโนทัสสัจมโนทสัวาโะโตมาโัสสจนี่เรียกว่าความจำเรียกว่าสัญญาความจำ สัญญาความจํานั้นเกิดดับเร็วเหมือนพยายามเดบเห็นโลกอดีตโลกอานาคตโลกปัจจุบันเต็มไปด้วยความเมเที่ยงเป็นทุกเปนนัตาเกิดขึ้นแล้วแปลป้ลแต่สลายอยู่ทีนี้ความลงของเราจะตั้งมาจากที่ไหนทีนี้มันจะไปรวมพลมาจากประตูใดถ้าข้าครับเรารับตายอย่างเราลืมขึ้นอย่างนี้ความเมื่อยมันจะ ไปห้าเสียงมาจากไหนเสีเนี้ทฉันในกรณีเมื่อเอาฉลาดมาตอนไหนความโมง่ตอนนั้นมันก็หายไปมันไม่ขบคือนอนแล้วอะไรี้ยเอะเหนื่อยแล้วดิ้เ <c oughs> หนื่อยแล้วเพิุ่กก็สุกตอนรับปีใหม่ว่าหกหลัง <c oughs> ลูกหลาจะเอาทางเสือไหมาตา ม, ม่หมหรอไม่เอาไปท่านเป็โมหรือสาดแต่เรคนเดียวท่านหรือถ้าจะพูดอย่างนั้นมันมรดวานหน้าประานไมไมไปทำเราคนเดียวสาดกว่าท่านเราหน้นหรือใครรับผู้รักษาศาสนามา ถ้าแต่ว่าก็ได้กินเนื้อมันเผ็ดอย่างนี้มีปัญหาสอดเข้ามาว่าสมเด็จสังฆมหาปนิญญายกเล่นภิกษุผู้ใหญ่เป็นประธานในสองในประเทศไทยไร้หรือไม่ทางว่าเาป็นได้ก็ควรเคารพท่าน ทายคนตออคนต่อบนวันอย่าง น, นี้นานๆสังหาั์นานานิกายเกิดขึ้นได้พระวววาถาธิกรพระอนุวาธาธิกรพระวิวาธาจิกรพาให้เป็ น, นเหตุใจ่เกิด อนาวาราติกรอนาวาราติกร เ, กก เ, เกออ ป, รรปรร็นเหตุให้เกิดอาปาทานกรอาปาทานกรเป็นเหตุให้เกิดนิคาะถ้าขาดนิฆาหเ น, นี่ยาการปกครองอันก็ไม่ได้ตั้งอยู่ไม่ได้มั่นกันนิฆามาตรความอาการข่มนิฆาแปลว่ายกย่องนิฆาแปลว่าโอสาเรนาหรือการข่มนิหาแปลว่ายกย่องเลิกย่องๆๆความที่ทำผิด นิพพานนิพพานมันมีอยู่นิพพานประเทที่แก้ไขได้ประเทที่แก้ไขไม่ได้นิพใครจะทำทาเพอใจขึ้นไม่ได้ถ้าถือศาสนาพุทธ อมัยสิ่งที่คเจ้ามันัยดขึ้นในความสิ่งชุองค์ทรงมันหยาดไ้แล้วสมาครถสายานสาบทตามชุบองค์ทรงมันหยาดไว้ซิ้นสวยใดเป็นเพื่อเพาในสมเขาเรมนะารซื้อสวนนั่เชฟฟักันการมองท่านไม่รู้อันกแกความยากที่เกิดขึ้นยินดีในเจนอาสาฝาตั้งใจอยู่ว่าเพื่อสุดซ้เียนซึ่งผูมิสินยังไม่หมมาสวารณมาถ้ามาแล้วเอยู่เป็นสุะจุกทาเป็นที่ตั้งอย่างความเจริญฝ่ายเดียวทีนี่ หรื่ที่เสพที่สภาพเียนเพื่อจะทาลายสงแต่กันที่สูญห้ามในควงสงศกรรมเพื่อจะให้เราข้อเ็จินั้นธรรมละทองทางการเสพทีเสพที่ฟูตามที่ฟููทำลาตรงนั้น่สูว่ายากกอนนี้ก็ไม่ควรให้เกิดขึ้นมาในในในสง์ในในสมัยนี้ที่ว่าทานทิกรเมื่อเกิดขึ้นแล้วสงฆไม่เรียบร้องับเสีย จะทําให้เกิดนานาสังวาสนานานกายคําว่าสงไม่เรียบระงับเสียก็บอกชัดอยู่แล้วว่าสงไม่เรียบระงับเสียไม่ใช่ฆราวาสไม่ระงับเสียนั่นเะดีย๋ยวนี่จะทึ้งให้ฆราวาสมันก็ไม่ถูกต้องสงระงับเราพามาหาสมณเจ้าท่านบอกว่ า, าที่วิวาทที่กรอนนี้เมื่อเกิดขึ้นแล้วสงไม่เรียบระงับเสียจะทําให้เกิดนานาสังวาสนานานิกา ย, ายไม่ได้บอกว่าอาณาจักร แม่ได้งับเสียแม่ได้ว่าอย่างนั้นแม่ได้ว่ารัฐบาลไม่ละงับเสียแม่ได้ว่าอย่างนั้นสงองงับไม่ไหวจึงบอกทางนั้นจะจัดเป็นเคื่องสูหัวดื้อก็ได้จะจัดเป็นสารณภาพแข่งนี้มาณะถือตัวอธิมานะดูเห็นท่านมาทำเบาๆประมาณเรื่อๆก็ได้ได้คำผังหัวดื้อก็ดีได้คมพังหัวดื้อัำพังหัวดื้อ เรื่องเหล่านี้ถ้าใครรู้จักประวัติของพระเทวทัพพวกนั้นก็จะสิ้นความสงสัยถ้าพ่อถ้าไม่รู้จักประวัติของพระเทวทัต้องมีปัญหาอยู่มากทนายพระเทวทัศจึงเปิดอวดดีก็เพระพระมศาสนาเพราะจะปกครองสงฆ์คนเดียวนั่นมีเกจาราจะปกครองสงฆ์ พระเจ้าอาชาติชัตูมีเกีติหน้าจะเป็นพระเจ้าแผ่นดินแทนพ่อสองหูนี่ก็เข้ากันกูก็จะฆ่าพระพุทธเจ้าเธอก็ฆ่าบิดาของเธอเสียเนี่ยมันไปแบบนั้นอันนี้เรื่องเรื่องอันนี้ก็เรื่องเดียวปิดถูกข้าปิดถูกข้าข้าพนัาอืมปิดถูกาข้าพนัน ลงเหตุว่าทำลายกุฏิเจ้าคุณเอามาลงเหตุแทงเอาคุณไปทั้งเทศยังทรงจะจักกันอันย่อสัตนกุเทพถือศาสดาอื่นนั่นถือศาสตราอื่นทือศ า, ตาออสาตราอื่นก็เป็นอนันตกติก ร, รมหกเหมือนกันไม่สามารถจะได้มาคนที่ผ่านทําไมอลาราดาบทอุศกาดาบทรามบุตรนจึงไม่สําเร็จพระหันถ้าให้คำตอบทุกวันนี้มันก็กินกับศาสนาโวหารด้วย แลความสนิฐาาด้วยบุคคลผู้มาถึงไต่สนธนกมจะพาวนาดีสักเพียงใดก็ตามไม่ยอมถือศาสนาพุทธบุคคลผู้นั้นจะเดินโจกรมจนเป็นรอยท่วมหัวก็ตามจะอ้าปากกินลมยืนขาเดียวอ้าปากกินลมจนตลอดวันตายก็ตามไม่สามารถจะถึงประสุดาวันเพราะมีรัฐทิ สารพัดแข่งดีกับพระพุทธศาสนาอยู่ผมจะตอบอย่างนี้เพราะมหาปรินิพานสูตร พ, พระบรมศาสนายืนยันแล้วว่าศาสนาอื่นๆไม่ได่าดืงพ้นเทนั่ น, มนไม่ต้องเอามานปนเปยพูดกับพระพุทธศาสนาเราเลยเขจาจะข้างความเพียมไม่ประมากทกันยาวิธีของเขาจะเพียมอะไรก็ตาม ไม่สามารถถึงชั่วปัจจุบันอุทุยายักามีติดในมหาปณิธานเราเราพูดเข้าข้างตัวเราพูดเ ข, ข้าข้างคำพราศาสนาทั้งหลายเหล่านั้นนักไปในทางวัตถุนิยมไม่ไม่เหมือนศาสนาพุทธของเราศาสนาพุทธของเราทางวัตถุนิยมก็ชมมาดีอยู่แต่ขอหาให้ได้มาในการที่ชอบเล่นอาบายิมุกเสียเล่นอาบายมุกทุกประเทศ อาบายมุททุกประเภทศเป็นเหตุให้ชิมหายในวัตถุสมบัติเว้นวัดเว้นอาบายยมุททุกประเภทแล้วก็เป็นสมาอาชีวะเป็นสมาอาชีโวสมาธิในศาสนาอื่นเอาเป็นประมาณไม่ได้ถ้าขนจึงมีวยมุติ โลกุทธะวิมุตต์โลกิยาวิมุตต์โลกิยาสิญโลพุทธะสิญโลกุทธ ะ, ะปัญญาโลกิยาปัญญาฉะนั้นจึงมีถ้าให้พ้นตอบเขาไปตอบไง่ายเพราะเอาคําสอนศาสตราอื่นมาคนไปกับคําสอนของพระธรรมาธรรพุทธเจ้าคําสอนของพระธรรมาธรรพุทธเจ้าไม่ใช่โลกีเป็นโลกุทธละทางนั้น พ่อพระอาจารย์เบื้องต้นของพระธรรมาตพุทธเจ้าของเรานับแต่สุปฏิปันโนเป็นต้นไปเราสะตอบทันทีนะนะ <c oughs> ตอบทั้งเสมอเราเกียร์ไม่มุดโราเกียรอืมโรเกียร์มุดโรเกียรอืมทําไมจึงมีโลเกียรในโรพุตธละมาปนเปกันคุณเท่านี้ก็พอเพราเอาศาสตร า, ษาอื่นมาปนเปน พวกอืนเขาจะกาน้าโมก็ตามน้าโมของเขาหน่อมไปคนละทางถูกไหมนัม่นอหน้าโมหน้าโมพวกความน้าโมพวกความก็ถือดิษถือเดชนี่แล้วก็ถือเลิกถือยามจะพามมีสองจำพวกความจพวกหนึ่งเข้าพระธรมารมั้งพุทธเจ้าของเราได้ความที่พวกถือว่าตายแล้วเกิดความที่พวกถือว่าตายแล้วสมุพวกถือว่าตายแล้วเกิด เกิดเป็นอะไรก็เป็นอยู่อย่างนั้นอันนี้เข้ากับพระพุทธเจ้าของเราไม่ได้เกิดเป็นมนุษย์แล้วสามารถเป็นอันอื่นก็ได้เพราะกรรมจังแหนกพวกนี้พอบันเท่ากับพระพุทธศาสนาของเราได้แต่ว่ายังเป็นศาสน า, าพราหมณ์อยู่แต่ก็ยังไม่ถึงตัวดาวันเหมือนกันถึงจะได้ของเหือนดรื่อากาศพตามก็เป็นโลกีไม่ใช่โลกตุตละมันเสือเป็น เสียงเป็นทีนี่คำสอนอื่นๆไม่ได้เดินทองเทมันมารักเอาคําสอนของพุทธศาสนาไปแปลงเป็นคำสอนของมันไม่มากทุกวันนี้ถ้าคนชีง้โง่เพราะเขาตบตาได้ละอันยาสักว์ตัวเทศทศศาสนาอื่นถทศทิศอื่นล่ะจะมารักเอาคําสอนของพระพุทธเจ้าไปเป็นคำสอนของตัวสักเพียงไหนก็ตามของตัวของตัวสักเพียงไหนก็ตาม เราไม่สามารถถึงขั้วดอาวันสักตาคานาคาอาหารเหมือนกันนั่นคำสอนใดๆในศาสนาพุทธมันบริบูรณ์หมดแล้วเรื่องกินเขาบอเรามาศาสนาก็พูดแล้วไม่น่าจะสงสัยถ้าหากว่าพราบอเรามาศาสดา เมนสัตว์โดยประเภททัตวป่วงไม่ให้ฉันเสียเลยจะเรียกมังสวิรัต์ทำไมถ้าฉันทักแล้วก็แล้วไปจะเรียกมังสวิรัต์ทำไมเมื่อเสียอย่างจะห้ามไว้ทำไมนะ่เท่า น, นี้ก็พอแล้วนี่ยพวกที่ฉันเนื้อฉันปลา เขาไมาได้ใสเขียนแสงหน้าากไว้ว่าฆ้าไปเจ้าชันเนื้อไม่ใช่เนื้อไม่ใช่ปลายแต่ว่าเอาใส่บาตเนื้อไม่ได้ว่าไปเป็บามเัติเอาใส่อะไรให้เขเอาไม่เอาแต่เนื้อมนุษย์เนื้อช่างเนื้อหมาเนื้ออะไรซีบอย่างเนื้อมือเนื้อเสือนเนืออุตสาหกรมศังส์ที่เขาออกชื่อโพชณะทั้งห้าอย่างพระองค์ก็ห้ามไว้แล้วทีนี้เราอยากจะเป็นศาสดาอื่นขึ้นแทงมันก็ไม่ถูก ยิ่งสูงยิ่งใกล้ อ, ลก อ, อันตรายเสื่อมทอัสนีบาดหมายยอดไม้รากฐานนาความสุภาพอ่อนน้อมนั่นแหละแก้กงังวลเราคนเดียวซึ่งเว้นปีิประทาป่าเถื่อนอีกเสียด้วยจะไปงัดเถระสมาคมให้ตายมันไปไม่รอดหนอกถูกไหมอืมมันไปไม่รอดเนอกเราก็ดำดินบินบนมาได้อีกเสียด้วยถูกไหม อืม <c oughs> นางพิษณุีก็ต้องยี่สิบพันสายก่อนจึงบวชพระพุทธสุได้ปีละองเท่านั้นประวัตินางพิษณุณีทีนี้ถ้าหากว่ามีผู้บวชนาพิษณุณีขึ้นแล้วนี่ ได้อุปชามาจากไหนนะจึงพอ20ปีก็งดกันแต่นานแล้วในสังขายนะข้างที่หนึ่งก็ไม่ปรากฏนางพิสชนีข้างที่สองหรือข้างที่สามปรากฏว่าการปฏิบัติสติภาพพ้านนก็ไปถามแล้ว ทุกสิ่งทุกอย่างก็าใจพีกก่หลกคนรบแล้วสารแปลไปมากคนก็มากใจพรก่กถ้าจะว่าขยายออกเป็นอักษรเขมรเป็นสังเขมโอเขบก็แปลงมาเฉียดก็ทำอาคา ร, รก็บอดีบุญแล้วในประเทศไทยถ้าจะย้อนลงมาสั้นเตปิตังก็กลายวา ย, จายใจใจถ้าย้นลงมาเองเตกก็แปลว่าสาม ถ้าย่นเป็นจิการนิบาทก็ย่นลงมาสิ้นสมาธิปัญญาถ้าย่นลงมาเป็นปัญจานอืจะทุกการนิบาทก็ยต์ลงมาในอริยสัจสีนั่นถ้าย่นลงมาในปัญจย่นลงมาในปัญจนิบาศก็รู้เวทนาสัญญาสั้งขันวิญญาณนั่นถ้าย่นลงมาเป็นชักการนิบาศก็ตามหูจมูกเรียนกายใจถ้าย่นลงมา ก็เอาเปัหานี้ทำเกบหรือทมที่สงพ่ข้อควานหมวดเกต้าย่อลงมา8ปดโลกระทำแปดหรืออัพทังที่คำาค่าแปดนั่งถ้าย่อลงมาเก้าถ้าขยายออกไปเก้าก็มักสี่นี่ิพานหนึ่งโล ก, กุตระทำเก้าหรือมรรคคือบันทิ9งเก้าอย่างถ้าขยายออกเป็นสิบที่ กุศลกรมมาหมดสิบอะกุศลกรรมมาหมดสิบนะหรืออันตราเหตุการณิที่ทสิบหรือนาถา ก, กรณาธรรมทำที่เพึ่ง10อย่างทำที่สังข้อข้อในหมวดสิบมีอยู่ทำที่สังข้อข้อในหมวดหนึ่งที่เอกนนีบาทใช่ไหมม น, โนโุษย์พังขมาธรรมามโ์เสดสาม า, มนนามรมณ์ย า, าทั้งหลายมีใจเปใหญ่นัน่นนย้อนลงมา งลงมาเปาา็นเอกนิเอกนิบาตขยายลงมาอีกกว่านั้นกัตถุันนันจะยายธรมังผู้ใดเห็นธรรมในปัจจุบันผูนั้นก็เงี่ยงคอนเทนในทางอุตสานานี้เลยย่นลงมาถ้าขยายออกยยออก็ขยายออกจากเชือกเส้นเดียวพระโหตวจนะย่นลงมาหาเอกวจนะสัพพ น, นามย่นลงมาหาเอกานามนามังแปลว่าชื่อมัน พหุ่แปลว่า ม, มากวัชระแนะปลว่าคําพูดมากคําพูดมากมันก็มาอ อ, ออกมาจากหนึ่งการนึกคิดมากมันก็มาจากหนึ่งย้อนก็ย่อนลงมาหาหนึ่งเอกนิบาศนั่นะจะนับถึงกี่ระล่านก็ออกไปจากรัะหน่วยนั่นละหนึ่งนั่นจะย่อนลงมาก็ย่อนลงมาหาหนึ่งสถาทุกก็ย่อนลงมาหาเอกทุกในปัจจุบัน สัพพะตายยอลงมาให้เอกาตาในปัจจุบันสัพพะสังขารย่อลงมาให้เอกสังขารในปัจจุบันนั่นถ้าอย่างนั้นก็ไม่สิ้างความสงสัยโลหานก็มาขาให้หานลงพระไตรพิยบดกย่นลงมาให้เอกในบาศถ้าขยายก็แปดหมื่นสือพระธรรมขันมีบริบูลแล้วทั้งขยายและทั้งย่อพระองค์เทศหมดแน่ สังเกตอาสังเกตุวันสังคกเนะสังคกตังสังเุเดือนสังางอาสังเกตุเดอนสังเต่างทำไมโยโหัวยึบยึโยโหัท่านเทศยบแรงวัแล้วนี่ยไม่มีทางค้องสายไม่มีทางเพิ่มบอกไม่มีทางตัดเข้าทำอะไรไม่มองดูคำสอนของพระพุทธศาสนาเป็นอัตตาธิปไตเป็นโลกาทิพยปไตไม่เป็นธรรมาธิปไต โลกาทิปไตยโลกเขาพาเพนเมแรงวันมันก็บอกว่าโลกพาเพนเหมือนกันเมแรงพึ่งมันก็บอกว่าโลกพาเพนเหมือนกันมันก็บอกว่ามันก็บอกว่าประชาธิปไตยของมันเมแรงวันมันก็บอกว่าประชาธิปไตยของมันที่อันหนมันดี <c oughs> ก็ต้องเลือกเอาแล้วเขามีสิทธิ์อีก <c oughs> ทีนี้นะพระพุทธศาสนาสอนให้มีสิทธิ์เลื อ, อ, อกเอาตามฐานะของตนก็ก็จริงแต่ว่าผู้มีคิดดำ มันก็เลือกเอาของต่ํามันมลงวันก็มีเกียสูงก็เลือกเอาของสูงสูงไหมนั่นมีอิสระเหมือนกันมีมีอิสระเกินไหมจนจนจ น, จนไม่มีขอบเขตก็ไม่ได้ไ ป, ประชาธิปไตยจะไปเขะหัว่อได้ไหมมันก็บากาประชาธิปไ ต, ตเยเตะเตะนี่อยากว่าสหายได้ไหมกอดคอกินเหล้าได้ไหมก็ไม่ได้นั่นมันก็ไม่ได้เหมือนกันประชาธิปไตยไม่มีขอบเขต ทาของพระพบรมศาสดาก็มีชั้นต่ำทั้นสูงเหมือนกันก็มีขอบเขตเหมือนกันถึงจะเสมอภาคกันก็เสมอข้าภาคกันเป็นบางส่วนกรรมในผลของกรรมเสมอภาคกันผู้ใดทําดีก็ได้ดีตามส่วนคนข้าของเหตุที่ทําขึ้นน้อยและมากผู้ใดทําชั่วก็มือนกันนี่เรียกว่าเสมอกันในภาคกรรมและผลของกรรมถึงอย่างนั้นก็มีผู้ทําต่ําทำสูงทําดีรักลั่นกันอยู่ก็ให้ผลตามส่วนรักลั่นนั่นเองนั่น ก็ได้จะปาฏนาเป็นพระสมานทกพรเจ้าก็ได้ทั้งนั้นใด้จะปาฏนาเป็นพระสาวกพวกทรายบกขอก็ได้ทั้งนั้นถ้าเราได้ชาติไี้ก็ได้ชาติหน้าชาติต่อไปเป็นลําดับที่นี่จะไม่มีเขียดมีแดนจะไปพูดเอาตามอัตโนมัติของตัวมันก็ใช่ไม่ได้มันเห็นหน้าเดียวเกินไปนี่นี่มีน้ําซ้ำไปกล่าวถือว่าผู้ไปพระทัรผู้กไม่เท่าตัวนะ เราเรื่องเรื่องนี้ทงเรานี่สื่อเรานี่จะทำให้ละสัมละสายทำให้ละสังละสายแล้วกนจะโจมตีวิชาโจมตีพระพุทธศาสนาครับวิชาโจมตีฟ้า ว่าทำลายขึ้นฟ้ามดใต้โลกธาตุเนี่ยกบ้วนไม่ถึงถ้าอย่างนั้นพระพุทธศาสนาก็ถูกแพร่ทุกยุคทุกสมัยพระพุทธศาสนาไม่ถูกแพร่ใครยุกทุกยุคทุกสมัยเลยนัตตะกุสันโธโกนาคอมโนกัสโปโคตโมมาก่อนนั้นอีกอันนี้กษัตริย์โกทยก็มากกว่านั้นแต่อสรงไขอาทรงไขกับก็ยังเป็นอาทรงไขกับแล้ว แต่พระพุทธเจ้านานๆยังเกิดขึ้นข้างหนึ่งก็นับเป็นอสงไขยอสงไขยขับเหมือนกันนานๆทีงจะเป็นขับหนึ่งว่านับเป็นอสงไขยอสงไขยก็ไม่โธแค่ศาสนาใดๆทั้งสิน้นนั่นผู้ชั่วกับ เ, เรื่องของผู้ชั่วไม่ได้ชั่วไปทั้งหมดวมณฑาดีนทีิพ ร, ราปรินาจากาคนพานไม่ใช่คนหมณฑ์กนที่ตาปรินาจากาบัณฑิตเป็นค น, นาพระพุทธศาสนาทุกยุคทุกสมัยเป็นมหาบัณฑิตนั่น ไม่ใช่คนพ่านมาเป็นหัวหน้าพระพุทธศาสนาบรรทิดท้งนั้นเป็นหัวหน้าพระพุทธศาสนานับแต่พระสมาพระพุทธเจ้าลงมานั เราคนเนียวถ้ามันดีแท้เหมือนพระธามาพระพุทธเจ้ามาโค่ชนะโลกได้ถ้าอวดดีมันดีก็น่าชมถ้าอวดดีมันไม่ดีมันไม่น่าชมถูกไหมพระบรมศาสราอวดดีแต่ว่าน่าชมเพราะท่านดีจริงนั่นทุกวันนี้ มีผู้มาทำชั้นผักให้ผมผมก็ชั้นได้ราคามันสูงชั้นผักชั้นสบายตายสบายเนื้อเ น, น่าอาไรผมก็ม่ชอบดอกแต่ว่าความเรื่งชีวิตเรื่องดยผู้อื่นเราคนหนึ่ตัวเขาเรื่องง่ายมันมีในท่าธรรมสูตสูกไห ม, มถ้าว่าพระบรมศาตนาสอนให้ชั้นผักแล้วกว็เรียยไปจะมีนางสาวิรัตทำไม จะมีมังซังซีบอยาทาไมเนื้อม้าเนื้อหูเนื้อเสือเนื้อหมีเสือเหลืองเสือดาวแรดเจะสีเนื้อสุนัขเนื้อมนุษย์ห้ามถ้าว่าห้ามเนื้อไปแล้วก็แล่าไปทําไมถึงไปไล่ไปอีกซีบซุกไปรับรับโพชนะอืออกชื่อโพชนะทั้งห้าห้าม ไก่ตัวนี้เขาจะฆ่าให้พระเน้อได้ยินแล้วอย่าไปกินอย่าไปฉันปลาตัวนี้เขาจะฆ่าให้พระเน้อได้ยินแล้วอย่าไปฉันเนยโคตัวนี้เขาจะฆ่าให้พระเน้อได้ยินแล้วหรือสงสัยหรือมีผู้เล่าให้ฟังก็อย่าไปฉันออืทุกวันนี่น่ะเขาฆ่ากันในตลาดเขาไม่ได้แค่เขาเขาเขาเขาไม่ได้มุ่งฆ่าให้พระเน้อเขามุ่งขายต่างหากนั่น หมูโคกับกระบือก็เหมือนกันถ้าว่านี่ปัญหาสอดเข้ามาว่าถ้าพระไม่กินเขาก็มาฆ่าพระไม่มีเมียเขาเอาทําไมนะทำไมไม่มีเมียเขาเอาทําไมนั่นมันมีที่แย่งหลายอย่างนถ้าว่าผู้กินแต่ผักสัตว์ไม่ตายด้วยว่าจะเป็นผักมาเนี่ยใต้กี่หมื่นตัว เขาอยาอะไรอะไรไปรถกี่แสนกี่ล้านตัวนั่นไม่ใช่สัดหรือทีนี้โคกระบือตายด้วยแอกด้วยไถ่ก็มีมากอยู่ก็อยากกินข้าวเขาก็จยกกินท้าไมหเขาอยนุ่งมันตายตัวตัวหมอนมันตายมากนะถูกไหม สมัยสมัยใดก็ตามเป็นสมัยเก่าเท่านั้นไม่ใช่สมัยใหม่สวัสดีปีใหม่ปีนี้ใกล้จะตายของพี่ไก่นี่ความสมมุติกันเฉยๆหรอกสมมมุ่าสัยนั่นสมัยนี้สมัยนั่นพระผู้มีพระภาคเก้าอยู่ที่นั่นอยู่ที่นี่พระบรามศาสดาตักศรุที่ไหนพระจะตอบให้ถูก พระพิระสูตรก็บอกว่าตำบลพุทธคยาอถ้าจะตอบให้ถูกปรมาตะก็บอกว่าตักกะลูกอยู่ที่เมืองใจเมืองสติเมืองปัญญาจะว่าเขาผิดไหมล่ะสีนี่เพราตอบอย่ันไม่ผิดไม่ผิดที่นี่วิชาลัทําเอกเนาะที่เพิกษุภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธนั้น จะว่าเขาจะเป็นสมถะหรือปรัษนาถ้าตอบในสนามหลวงก็ตอบว่า <c oughs> เป็นปรันาเป็ น, เ ป, นเป็นสมถะเพราะบริกรมรมภาวนาภาวนาในบริรกรรมตอบในสนามหลวงนั้นเขาไม่เอ่ย <c oughs> ถ้าผมตอบทุกวันนี้ผมไม่ได้ตอบอย่างนั้น <c oughs> ผู้ภาวนาพุโทโพุโทโธนั้นจะว่าเป็นสมถะหรือปรัชนานั้นก็ไม่ถนัดเพราะเหตุว่า ยานสมยุทของเขาต่างกันแต่ละบุคคลและบารมีก็สร้างมาต่างกันเพียรกันโยกกระทอนเช่นเขาบริกรรมพุทโธพุทโธอยูอย่อย่างนี้เขาเห็นวจีสังขารในกิตตะสังขารของเขาเกิดดับเกิดดับอยู่เขาเคเห็นอ น, นิจจังทุกขังอนัตตาพร้อมกันในเวลาบริกรรมนั้นแต่คุณพระพุทธธรรมประสงค์ไม่ได้เกือบไม่ได้ดับไปไหนถ้าเขาเห็นพร้อมกันอย่างนี้ในเวลาขณะเดียวกันแต่ว่าเขาเป็นสมนถรถก็ไม่ถูก พยายนสมยุทของเขาเร็วลาวจีวานโยทาห้อนอีกผู้รูปไปรูปมาอย่างนี้รัชโชธรันังรลชชังหัรติก็น่าจะเป็นสมถะทํทำไมจึงแตกฉาปนประช้ำที่ทาสีเราเราคือลาวจีวานสีเราติต่อผู้ิว่อให้เขาต่อเรื่องส่วนนี่เฮ ยิุ่าตาเขายมุพนัวาวิพนะว่มุทพนคน ด, ด้วสมมติเฉลยพ้นด้วยเ็เดอขาดพนด้วยมมนิทมพ้น ด, ด้วยออกไป้ ม, มทั้งห้าข้อนี้ข้อไหนเป็นโลภะข้อไหนเป็นโลภุตตะละาให้เราตอบสมมติเดี๋ยวเรต้องตอบปัดไปอีกอันนึง ข้อไหนเป็นโลคิยาหรืโลกุตระก็ขอจักวหวแต่ข้าพเจ้ามีคําจะสนิษฐานดูว่าวิมุตต์ไหนๆก็าตามถ้าเป็นคําสอนของพุทธศาสนาแล้วเป็นโลกุตระวิมุตต์ทางนั้นนับแต่พระสุาบันไปเป็นโลกุตระวิมุตต์เพราะมันขบวัคืนระสักยสิทธิวิชิตชั้นในแล้วมันไม่ไขบวัคืนอีกนอกนั้นเป็นวิมุตต์ของศาสดาอื่นมาเอานเปกันเฉยๆดอก เราติดต่อทั้งสีน่นดิเอาพ้าพ่อเถาก็ผ้าลูกเขยไปตาข้าวเดียวกันพ่อเถาก็ลูกเขยนั่งเตียงเดียวกันพ่อเถาก็ลูกเขยกอดข้อกันกินเหลา้าของง า, <c oughs> า, าต้องทัสีะห้เาตอทีนี่ <BS> ภูมิของพธธระดาวันมีอย่างไรบ้างเรื่อง ส, สักกายะทิฏฐิวิจิติจฉาศีรพตประมาท น, นั้นเข้าใจดีแล้วที่เรื่องพิเศษยังมีอะไรอีกอยู่บ้ า, างถ้าให้เราตอบเราจะตอบเพืสิมีสิ้นห้าบริบูรณ์ไม่ใช่ดางอยากร่วงสิ้นห้า ไม่ใช่ได้อยากรวงละเมิด อ, อาบายยมุคทุกประเภทเพราะเห็นดีงลงไปแล้วถอนไม่ออกเห็นดีงลงไปในทางถูกแล้วถอนไม่ออกไม่ว่าในทางใดถ้าเห็นดีงไปในทางผิดก็ถอนไม่ออกเหมือนกันถ้าเห็นดีงไปในทางถูกก็ถอนไม่ออกเหมือนกันเหตุฉนันพระพุทธที่เจ้าจึงคารบทำพระพุทธทเจ้าก็ไม่สามารถจะมาสวดถอนพระสวสดาบัลให้เป็นชกทาคามีให้เป็นอนาคามีหรือให้เป็นพุทธจนได้เราสิบวางสีคกันนี้ มัน่ปล่อยเวเส้นแทงเข้าอยงหมันตายทุกหามันตายยากางม่นจี้ปายไวอดนสัมันย่งมันทมันพสวดาบันนรกนะมันดาบกูจังสัตวมันเน็คิดกูจังที่นึกไม่คิดในใจหามันจิปายมันไล่วอดนสัี่สขนึกจังสัตว์่ามันพสวดาวันสดันสวดเอาเขาว่าสวัดขาดขานี สมถารบางส่สนาบานการวราน่ว่าที่าสนาบางสนี่มมตามีบทบจะต่างกันจะใจแยกครับผมไปอบรมพวกพุทธศสนาจา์ที่วัดมหาธาตุก็ยึดหนอก็เคยแล้วก็พทรก็เคยแล้วก็เวลาอธิษฐานนี่เข้าอธิษฐานจะขอเจริญศาสนาบางาน สมถะอะไรต่างๆค่ะอย่างวิพานนัสมัยปัณเตสัิกัลลัายะสมถะกรรมฐานปางเทวีภูติตดติแล้วก็ถ้าเป็นวิปัสนากรรมฐานต่างิพานนัสมัยปัณฑเทสัจฉิกัลลัพพายะวิปัสนากรรมฐานงทีนี้ผมอยากจะอยากจะรู้แยกกันเท่าวิปัสนาหรือไปทงปัญญาอาจจะรียนกายเห็นรูปนั่งนอนโยจับปฏิปันยังเพราว่าจับมันอาจจะอยู่ในขันธ์ธาตุนาทิธรรมอะไรนี้ อันนั้นเป็นคำอธิษฐานเป็นคำสักก า, าระปรามีสัมปนโนเป็นคำอธิษฐานในปรณีสัมปันโนเป็นความหวังเป็นความเกียตนาเป็นความเคารพที่ตั้งไว้อันนั้นก็ไม่เป็นปัญหาไม่พิจารว่าจะว่าครับผมเนี่ผมย่อลง ก, กว่านั้นผมต้องการเห็นลมห้ใจก็ออกข้างเดียวผมก็เห็นทั้งความเกิดความหลักความแปรปรวนถ้าไม่ใช่สามไม่ใช่พวกคลด้วยไม่ไม่จะไม่ต้องการ พุทธคำเดียวเขเห็นทั้งทําเกิดคำดับด้วยแต่พุทโธไม่ได้เกิดใด้ดับไปไหนยุบหน่อฟองหนอนเกิดหนอดับหนอเก็บหนอตายหน่อมันก็ถูกเหมือนกันทุกหนออันนี้จังหนออนนักตาหนอไม่ใช่เราไม่ใช่เขาไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่พวกคนหนอมันก็ถูกเหมือนกันมันมันมันไม่ใช่มันไม่ถูกถ้าจะพิจารณาวิปัฒนาผู้รู้หนอผู้ปฏิกรรมหนอผู้นึกหนอผู้คิดหนอเกิดดับหนอ หา้นระวางไม่ได้หนอมันก็เป็นกาพัชนาเหมือนกันพุโทโธธัมโมสังโฆมีพระคุณไม่มีประมาณหนอมันก็ถูกเหมือนกันมันขึ้นอยู่กับปัญญาสมัยยุคของแต่ละรายของบุคคลหรอกอะนะกรรมฐานอันไหนต้องดีหมดนะ